สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Innovation for Life ค่ะพบกับดิฉันคุณกนิษฐ์ทองเงานะคะที่ FM89.5 m มแปส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะและคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการต่างๆได้นะคะทางแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM89.5 ด้วยสําหรับ Innovation for Life ในวันนี้ค่ะเราจะแนะนําให้คุณผู้ฟังได้รู้จัก กับเครื่องผลิตฟองอากาศขนาดเล็กในน้ำช่วยควบคุมค่าปริมาณออกซิเจนให้เพิ่มขึ้นถึง 1-7 ึงเท่านะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับการผลิตฟองอากาศขนาดเล็กในน้ำแล้วนวัตกรรมนี้จะใช้งานและใช้ประโยชน์อะไรในวงการไหนได้บ้างนะคะเราจะพูดคุยกันกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรพงศ์พวสุปรีค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์สาขาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศ า, าสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค, ะคร่ะและตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสาแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นที่จะสอบถา ม, มานะคะเกี่ยวกับเรียกว่ามาทําความรู้จักพร้อมกับคุณผู้ฟังกันเลยทีเดียวก็คือคเครื่องผลิตฟองอากาศขนาดเล็กเนี่ยค่ะต้องถามเลยว่ามันมันมันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ เราเป็นเป็นเครื่องที่เราสร้างขึ้นเองที่ราชมงคล น, นะครับออกแบบเราสร้างขึ้นเองโดยความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกียว โ, โตครับเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเกียว โ, โตแล้วก็เป็นเครื่องที่สามารถ อ, อผลิตฟองอากาศขนาดเล็กในน้ําในระดับต่ํากว่าหนึ่งร้อยนาโนเมตรนะครับในน้ําแล้วก็จะถ้าเราผลิตฟองอากาศขนาดเล็กในน้ําได้ก็จะช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซที่เราใส่เข้าไปในน้ําได้ครับอย่างเช่นถ้าเราใส่ในกรณีนี้ ที่ออกขาวคือเป็นใสออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปครับก็เลยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำเพิ่มมากขึ้นครับอืม uh huh. ค่ะอาจารย์ค่ะก็หมายความว่าอันนี้ฟังแบบก็ก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะ <c oughs> การ <c oughs> การผลิตอฟองอากาศ <c oughs> ในน้ำขนาดเล็กเนียมันมัน <c oughs> มันผลิตไปทำไมคะแล้วมันจะได้ <c oughs> ประโยชน์อะไรบ้างอะคะครับได้ครับคือเดิมที อปริมาณออกซิเจนในน้ํามันจะมีอยู่ปร ะ, ประมาณสักไม่เกิน10 ppm ครับในน้ําถ้ารเราสามารถว่ายง่ายคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือเราสามารถอัดอัดปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นในน้ําได้ก็จะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาได้ดีขึ้นนะครับในทางอุตสาหกรรมครับ อ, อย่างเช่นสมมตุติถ้าคิดง่ายๆคืออย่างที่ประเทศญี่ปุ่นที่เขาใช้เทคโนโลยีนี้มาเป็น 20-30 ปีแล้วคือเขาไปใช้ในทางการเกษตรการประมงอะไรเนี่ยครับอย่างเช่นถ้า ถ้าทางการประมงก็คือเขาไปใช้เกี่ยวกับสัตว์น้ําที่ราคาค่อนข้างสูงนิดหนึงครับอย่างเช่นพวกปลาไหลอุอนห ง, งีครับที่เราแพงๆครับคือยิ่ง เ, เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ําเพิ่มมากขึ้นพวกปลาพวกอะไรพวกนี้เขาก็จะหายใจได้ดีขึ้นนะครับก็จะเริ่มช่วยในการไมต้อบริสุทธช่วยในการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นได้ไวขึ้นครับส่วนในทางในเรื่องของผลที่จะเอามาใช้นี่คือพอดีร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยโตแล้วก็ลูกศิษย์ แล้วก็บริษัทของสิทธ์เก่าของราชโมงคลนนะครับช่วยกันพัฒนาเครื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มีของทางบริษัทจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเข้าน้ำทางฮอกไกโดมามาใช้ครับก็คือเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำเพื่อทำเป็นตัวสเปรย์ฉีดหน้าครับ <c oughs> <c oughs> เป็นตัว <c oughs> <c oughs> เป็นตัวส <c oughs> เปรย์ที่ <c oughs> เป็นตัวสเปรย์น้ำแร่ฮอกไกโดครับฉีดหน้ากับเหมือนเหมือนที่เราสเปรย์มิสอะครับที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่นี้เราใช้น้ำแร่จากฮอกไกโดครับเนื่องจากเรามีความสัมพันธ์ร่วมกับทางบริษัทอะครับ ค่ะโอเคพอจะเข้าใจแล้วถ้าถ้าในเบื้องต้นขอขอขยายความอีกนิดนึงนะคะอย่างในเบื้องต้นที่อาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเราอ่ะเรียกว่าใช้เพิ่มออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันก็จะสามารถถ้าเป็นในเชิงของเกษตรก ร, เ, กรเนี่ยก็ก็จะอย่างเลี้ยงปลาแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือช่วยอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่ทีผ่ผลิตน้ําแบบว่าปล่อยน้ําเสียออกมาตรงนี้จะสามารถช่วยได้ไหมคะที่ทําให้น้ำเนี่ยสามารถ ที่จากน้ําเสียจากอุตสาหกรรมเนี่ยนําไปใช้ต่อได้อะไรทํานองเนี้ยถ้าในเชิงเกษตรในเชิงอุตสาหกรรมก่อนนะคะอาจารย์อ๋อได้ครับได้ครับเพราะเนื่องจากเราเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวบริษัทด้วยว่าทําแล้วคุ้มไม่คุ้มอย่างเงี้ยครับอืมค่ะอ่าอันนี้็ต้องมาคิดราคากันอีกทีต้องมาศึกษาฟีดความเป็นไปได้อีกทีนี่ครับแต่ว่า ที่เราทํำโครงการนี่คือที่ทําร่วมกับทางมหาลัยเกียวโตแล้วก็เป็นคนถ่ายทอดในเทคโนโลยีแเราก็เอาเทคโนโลยีนี้ยมาปรับประยุกต์ใช้ในเมืองในเมืองไทยให้ได้ครับแล้วก็พยายามขายสิทธิบัตรให้ทางมหาลัยให้ได้ครับก็เลยเป็นที่ไปที่มองว่าเราเอาขายให้กับบริษัทของในไทยแล้วก็ขายลิขสิทธิ์ให้กับญี่ปุ่นครับ ค่ะอจจะาจารย์ค่ะถ้าอย่างนี้อาจารย์พอจะอธิบายในกระบวนการของการพัฒนาได้ไหมคะว่าการผลิตเครื่องเรียกว่าเครื่องผลิตฟองอากาศขนาดเล็กในน้ำเนี่ยมันมันเป็นตัวเครื่องหรือว่ามันมีกระบวนการในการผลิตวัตกรรมนี้อย่างไรอะคะครับผมก็เรื่องต้นๆก็คออือก็มีปั๊มปั๊มน้าคล้ายๆปั๊มน้าเนี่ยครับแล้วก็อัด อ, อัดปั๊ม อัดแรงดันน้ำครับผ่านผ่านรูเล็กๆเกขาเรียกว่านอสโซ่ครับ uh huh. แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะใช้ระบบเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ ม, มีมีหลายระบบให้เลือกครับต uh huh. ามตามทฤษฎีครับมีหลายระบบให้เลือกแต่ที่เราใช้ก็คือเราพยายามผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าคือคือลูกค้านี่หมายถึงว่าตั ว, ต, วตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับ uh huh. แล้วปรากฏว่าในที่นี้คือเรา เราใช้ผ่านสเตติกมิกเซอร์คือตัวผสมนะครับว่าง่ายๆคือตัวเป็นตัวผสมครับให้ให้มันผ่านได้ครับแล้วก็คือว่าง่ายอาบน้ําผ่านรูเล็กๆค่ะแล้วก็ใส่อากาศเข้าไปครับง่ายๆออืฟังเหมือนง่ายแหละแต่กระบวนการ <c oughs> ที่อาจารย์กว่าจะคิดไอ้ระบบนี้มาเนี่ยมันมันคาดว่าไม่ง่ายนะคะอาจารย์กระบวนการ <c oughs> ตัวไหนของนวัตกรรมนี้ที่อาจารย์คิดว่ามันแบบโอ้หินแล้วก็ลาบากสุดเลยอะคะ ก็จะมีตอนที่แบบเราเนื่องจากเราเดิม hmm. ท kind of ีเราไม่ไ hmm. ด้มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนนะครับก็พยายามหาผู้เชี่ยวชาญหาหาว่าง่ายคือหาผู้รู้ครับแล้วก็ร่วมกับทางทางสิทธิ์เก่าที่มีความถนัดทางด้านนี้ครับแล้วก็ทางเอารักษาเข้าไปช่วยครับอก็จะได้ว่าง่ายคือร่วมมือหลายภาคส่วนแล้วจึงออกมาเป็นเครื่องนี้ครับมันจะยากตรงช่วงแรกเฉยครับว่าจะได้ไม่ได้ครับ แล้ว<น>พอเราผลิตได้แล้วก็ทดสอบผ่านมาตรฐานญี่ปุ่นเขาก็เลยเอาน้าจากประเทศประเทศเขามาลองผลิตผลิ ต, ตัวนี้ดูแลเขาก็แบ่งขายเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสเปรย์น้ำแร่ครับสเปรย์นำ้ำแร่ซึง่งก็ต้อ ง, <า>งบอกค่ะ <c oughs> ช่วยกระจายสิ่งพก ร, ระป๋อ <c oughs> ตามผิวกายแล้วก็ช่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็คือช่วย ก่อนแต่งหน้าหลังแต่งหน้าได้ดีขึ้นนะครับอาจารย์รู้รู้จริงนะคะรู้จริง <c oughs> ใช่ค่ะอาจารย์มาฉีดฉีดแล้วมันก็จะท <ำ S 2> ําให้เครื่องสําอางติดหน้าหรือไม่ก็เวลาเราสึกเพลเพลียนะ่ะใช้สเปรย์น้านแร่ตรงนี้จะรู้สึกเฟรชขึ้นมา <c oughs> นี่ก็คือเครื่องใช่ไหมคะที่เป็นเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวผลิตเรียกว่าในอุตสาหกรรมที่จะผลิตเป็นเป็นสเปรย์น้านแร่ออกมา ใชมคอาจารย์งานของอาจารย์น<ม>ี่คือที่ขายให้กับบริษัทในเมืองไทยครับก็เป็นตัวสเปรย์ครับตัวสเปรย์น้ําแร่จากฮอกไกโดครับอาจารย์คะอย่างขออนุญาตถามแทนผู้รประกอบการหรือว่าเป็นเป็นคนที่คิดที่จะทําธุรกิจลักษณะเนี้ถ้าหากว่ามีเครื่องของอาจารย์เนี่ยก็สามารถที่จะนํามาประกอบธุรกิจแบบผลิตเป็นได้ว่าสเปรย์น้ําแร่นี้ได้ไหมคะอาจารย์มีมีแนวทางไหนไหมคะ ก็เนื่องจากเราขายสิทธิ์ให้กับบริษัทอ่เป็นบริษัทของอชื่อบริษัทเ h อ Business Center อครับขายไปสิทธิ์ขายสิทธิ์ให้สามปีครับก็ ตอนนี้เขาเป็นเจ้าของสิทธิ์อยู่ครับค่ะก็เธออยากจะเรียกว่าก็ไปซื้อตัวผลิตภัณฑ์ก็แล้วกันแต่ให้รู้ว่าไอ้ตัวเครื่องกําเนิดเนี่ยเครื่องผลิตเนี่ยมาจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้นี่เองอาจารย์คะระยะเวลาที่อร่วมกับลูกศิษย์แล้วก็ร่วมกับสิทธิ์เก่าครับอค่ะแล้วระยะเวลาในการผลิตเรียกว่าประดิษฐ์นวัตกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมใช้เวลานานแค่ไหนคะอาจารย์คะ ถ้เอาเริ่มต้นตั้งแต่เราเราไม่รู้เลยครับก็ประมาณสักเกือบเกือบสองปีครับอเกื่บเกือบสองปีจนกระทั่งออกมาเป็นเป็นเครื่องแล้วก็ปัจจุบันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าถ้ามีรูปอะครับก็จะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ําแร่แล้วก็จะมีวางขายที่ฮอกไกโดครับอค่ะแล้วมามาขายที่บ้านเราหรือยังคะขายแล้วครับขายแล้วครับแล้วมีทางเส้นทางทางช้อปปี้นครับที่บริษัทเขาวางขายเริ่มต้นเนื่องจาก บริัทพซื้อไปเมื่อสักสองสาเดือนที่ผ่านมาครับผลิตภัณฑ์ล็อตแรกเพิ่งออกครับแล้วก็พยายามก็ผลิตออกมาจะให้ได้เยอะๆครับตอนนี้ก็วางขายในช่องทางออนไลน์ครับทางกับปีแล้วก็ติดต่อโดยตรงที่บริษัทเดอะบิสเนสเซ็นเตอร์ได้เลยครับค่ ะ, คะก็มีการแบบเรียกว่าสำรวจความนิยมไหมคะว่าติดตลาดไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้สเปรย์น้ำแรกนี่ก็ออกมาเยอะเหมือนกันแล้วสเปรย์น้ำแรกที่เป็นเกิดจาก ผลิตภัณฑ์จากนวัตรกรรมที่สร้างขึ้นนี่แตกต่างจากสเปรย์น้ำแรกที่อื่นยังไงคะอาจารย์คะขอ้อดเด่นเลยคือเราไม่ได้ใช้สารกันบูดคําเนื่องจากตอนแรกที่เราทำทาตามมาตรฐานของญี่ปุ่นคือเขาไม่อยากให้ใช้สารกันบูดเลยแล้วนี้เป็นโจทย์แรกเลยครับอ๋อแสดงว่าสเปรย์น้ำแรกที่อื่นๆขออนุ ญ, ญาตนะคะคก็ใช้เหรอคะอาจารย์มีมีสารกันบูดด้วยเหรอคะ เขาบอกนะครับอ๋อค่ะโอเคอะเอ<ร>าเป็นว่าไปบอกมายาไปอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เขาเาเข า, า, าก็มีบอกทำไมอาจารย์ไม่ใส่อะไรเงี hmm. ้ยเพราะว่าผมได้ได้โจทย์มาจากบริษัทของเป็นโจทย์วิจัยครับทางทางบริษัทญี่ปุ่นเขาบอกถ้าถ้าไม่ใส่แล้วเนี่ยได้ไหมอะไรเง mm ี hmm. ้ยเพราะว่าเขาอยากให้ใช้น้ําแร่ของเขาแล้วก็พระเจอส่วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นเขาแพ้ง่ายครับออเขาเลยอยากจะให้ใช้ลองใช้ในนี้อันนี้แบบเพียวๆดูก่อนเนี่ยครับแล้วก็มีเราไม่ได้ เราไม่ได้แต่งกิ่นเลยครับเพราะเขาไม่ชอบกลิ่นตามตามที่ของประเทศญี่ปุ่นครับแต่ถ้าเป็นคนไทยผู้หญิงไทยเขาก็้่าจะชอบนะครับเห็นมีแบบเบื้องต้นมีมีที่เขาเขาบอกมาเบื้องต้นนะครับแต่ว่าล็อตแรกที่เราทําออกไปนี่คือเราไม่ได้เจอสีไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่ได้ใส่ใส่สานกันบูดครับนักศึกษาที่เอาไปลองใช้เขาก็บอกเขาก็บอกเขาก็โอเคนะครับโดยเพราะผู้หญิงนะครับแต่งหน้านี่ผมไม่ค่อยชาบเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้แต่ง แต่ทราบจากคนใกล้ตัวนะครับผมก็โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนอะที่เป็นแบบแดดร้อนๆอะไรเงี้ยเขาบอกบางคนก็ไปแช่เย็นก่อนแล้วก็มาฉีดหน้าเขาอกสดชื่นดีค่ะอาการย์อะไรเงี้ยเอาล้อดีๆครับดีครับอะไรเงี้ยพอดีผมผมเป็นนักเป็นวิศวกรทางเครื่องไงครับหลังก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ เขาเลยแบบไม่ค่อยได้ซึมซับทางนี้เท่าไหร่ก็อใส่นักศึกษาเนี่ยแะครับค่ะโอเคเข้าใจค่ะหรือไม่ก็สังเกตจากคนใกล้ๆตัวเราเนาะที่มันทดลองใช้อช่างค่ะขออนุญาตถามลองดูลองดูในรูปก็ได้ครับมันจะมีแบบดีฟอร์อัสเตอร์ครับที่ใช้ก็ก่อนใช้มือซ้ายมือขวาครับเป็นคนคนเดียวกันเป็นก็เป็นนักศึกษาแล้วก็แฟนนักศึกษาครับที่เขาใช้แล้วก็ลงลงในรูปให้ผมส่วนใหญ่แทบในในส่วนใหญ่เป็น ภาษาครับก็เห็นเขาขาวขึ้นนะเห็นไหมค่ะโอ้กันก็ต้องพออาจารย์พูดอย่างนี้นี่ก็อยากจะลองใช้เหมือนกันเนาะลองดูได้ครับลองดูได้มาติดไดที่สถาบันวิจัยและพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ครับแล้วก็มีช่องทางนืงของทางบริษัทครับเดีอะบิสเนสเซ็นเตอร์ครับค่ะเดี๋ยวจะไปติดต่อทันทีเลยนะคะหลังจากที่สัมภาษณ์อาจารย์แล้วอาจารย์ค่ะอีกนิดนึงค่ะขออนุญาตยนถาม แล้วเครื่องผลิตฟองอากาศขนาดเล็กที่อาจารย์พัฒนาขึ้นนอกจากที่จะผลิตเป็นสเปรย์น้ำแร่เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ในด้านอื่นๆ อ, อีกไหมคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วที่เราผลิตได้ตอนนี้ขนาดกําลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ1 0 0่งรถึงสามลิตรต่อชั่วโมงครับเป็นขนาดไพร์ลอตแพรบและคือขนาดโรงงานนําร่องก็สามารถใช้ใช้ไปในทาง ได้หลายทางครับไม่ว่าในทางอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสีอุตสาหกรรมต่างๆรวมกระทั่งถึงเกษตรงานเกษตรเขาก็จะไปใช้กันนะครับเพราะเริ่มต้นทีเดียวทางเทคโนโลยีเนี้ยทางประเทศญี่ปุ่นเขาไปใช้ในทางการเกษตรแล้วก็ทางประมงนะครับ <S <S แต่ตอนหลังคือมีหลายบริษัทเข้ามาแอพพลายทางด้านอุตสาหกรรมเยอะครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอ น, นิกส์ใช้ครับแล้วก็อุตสาหกรรม ทางเครื่องสำอาก็ใช้ครับชีเชเดลเอสเกทู๋ก็ใช้หมดเพียงแต่ว่าเขาจะบอกไม่บอกแค่นั้นเองครับค่ะแล้วอาจารย์เอาเครื่องมาปรับประยุกต์ใช้ครับเติมทีผมจะทําความตั้งใจผมจะเริ่มเติมทีคือผมจะมาทําออนเซนของผมเองเพราะเราไปเห็นแล้วมันดีจริงอย่างเงี้ยครับทิ้งปริมาณนุ่เกลื่อนในน้ำเยอะก็ช่วยผิวพรรณได้ดีเป็นผมก็ทำออนเซนผมเองแล้วปรากฏว่าทางบริษัทญี่ปุ่นก็เออเปลี่ยนจากน้ําน้ําในเมืองไทยให้เป็นรองน้ําแรกเขาซีใช้ได้ไหมพอพอทําได้ปุ๊บผมดึยลงไปแช่ เขาก็บอกว่างั้นอาจารย์เรามาแบ่งขายก่อนไหมอะไร่งเงี้ยเขคงเสียดายก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มาเรื่องจริงเลยครับจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะจุดแรงบันดาลใจค่ะผมก็กำลังเป็นเลยครับอาจารย์คะแล้วในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมแล้วเนาะแล้วอาจารย์ก็เรียกว่าจดสิทธิบัตรใช่ไหมคะจุดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วลิขสิทธิ์ใช้ใช้คำว่าลิขสิทธิ์เนาะอาจารย์ค่มีสองดครับก็คือสิทธิบัตรก็คือตัว ตัวที่เป็นกระบวนการผลิตน้ำครับส่วนตัวลิขสิทธิ์นี่คือพอดีผมออกแบบร่วมกับทางบริษัทญี่ปุ่นชื่อโซล่โซล่ครับลิขสิทธิ์เป็นเกี่ยวกับชื่อแบรนด์นะครับชื่อแบรนด์โซละโซล่สะกดถ้าเป็นผู้ชายเขาจะรู้ว่าในน้ำโซระาอาอครับแต่ว่าย่อมมาจากสระพงษ์นี่แหละครับไม่มีอะไร oh. <c oughs> แล้วทางบริษัททางบริษัทญี่ปุ่นเาก็เลยซื้อ ก็จะขอซื้อลิขสิทธิ์ตัวนี้ครับไปวางจัดจำหน่ายที่ยิปที่ฮอกไโดครับทางออนไลน์เก่งมากเลยนะคะอาจารย์นี่คือน n เม e เลยัลองดูได้ครับลองดูได้ครับก็เราพยายามออกแบบให้มันดูมันคลีนคนหน่อยชาสาหน่อยครับแล้วก็พยายามขึ้นรูปกล่องที่มอนไทยให้ได้ครับก็ปรับแบบไปประมาสัก ยีครั้งก็สุดท้ายก็ขึ้นรูปที่เมืองไทยได้เหมือนกันครับขึ้นรูปกองผลิตภัณฑ์ที่เมืองไทยได้หมดเลยครับโอ้โค่ะโอ้โนี้ได้ความรู้นะคะแล้วก็<ด> อ, อยากจะติดตามแล้วว่าเอผลิตภัณฑ์สเปรย์น้าแร่เนี่ยที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นร่วมกับฮาวไกโดเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็อีกรเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะทราบด้วยว่าแนวทางในส่วนที่อาจารย์แล้วก็ทีมงานได้มีแนวความคิดหรือว่าวางนโยบายกันไว้ไหมคะว่าเอ๊ะในต่อไปในอนาคตเนี่ยเมื่อ อาจารย์ ก, ก็บอกว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมาจากการที่จะพัฒนาแบบว่าออนเซนของตัวเองเนี่ยอาจารย์มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเครื่องผลิตฟองอากาศไปในทิศทางไหนคะกเ็เห็นที่เข้ามาติดต่อคือนอกจากผลิตภันเครื่องสำอางเพราะมันใช้แล้วมันคุ้มจริงครับหมายถึงว่าศึกษากรรมไปใช้แล้วเขาผลิตแล้วเขาได้ทืนคืนทุนเร็วครับอเพราะว่าตอนนี้เราผลิตได้1 0 0่งถึงสามลิตรต่อชั่วโมงสมมุติปีคร่าวๆคือวันหนึ่งก็ได้เป็นเป็นพันลิตร ผลิตนี่ก็บันจุได้เป็นเป็นพันกระป๋องแล้ว น, นะครับออืว uh ัน huh. นั้นผมผลิตลองที่ลองทดลองผลิตล็อตแรกไปก็ <Yeah. S 2> ผลิตสองสามชั่วโมงเองก็ได้ประมาณสักสองถึงสามร้อยลิตรสองสาร้อยลิตรถ้าแบ่งกระป๋องขายกระป๋องหนึ่งมันสมมติสักร้อยสี่สีก็คือร้อยเอ็มแอร้อยมก็คือศูนย์จุดหนึ่งลิตรก็จะได้ประมิณสักวันนั้นทําไปสามพันกระป๋องนะครับสองสองถสามพันกระป๋องกระป๋องละสองร้อยกว่าบาท ก็ลองคูณดูได้ครับคือรวมเป็นเงินก็ประมสองสามแสนวันเดียวครับน้าทำธุรกิจใช่ครับบทีเราก็ไม่คิดว่าจะมาทางนี้ครับเพราะผมจะไปทำาอนเจ็นตัวเองก็ได้ผลิตภัณฑ์นำแรกมาค่ะครับแล้วก็มีมีชื่อผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองด้วยโซระนะคะย่อมาจากชื่ออาจารย์เอง ถ้าบอกมันชื่อของเองก็คงจะขายไม่ออกนะเอาไว้ง่านะคะอาจารย์ก็สื่อแล้วจากตัวรับพงเนี่แหละครับไม่มีอะไรเราเราตั้งชื่อกันในเขาเรียกอะไรว่าประสบการณ์อะไรเงี้ยปรกฏมันขายได้อะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปก็จะนี่แหละค่ะอาจารย์มีชื่อแล้วเนาะชื่อผลิตภัณฑ์ใช่ใช่ครับก็เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ลิสิทธิ ผ, ผ่านได้ทางมหาวิทยาลัยติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้หนึ่ครับส่วนผลิตภัณฑ์ก็เดอะบิสเนสเซ็นเตอร์ครับส่วนในงานต่อไปที่เราจะทํานอกจากเป็นอุตสารกรรมทางเครื่องสมอาอะไรประมาณเนี้ยครับก็อันต่อไปที่เขาติดต่อมาก็จะเป็นตัวที่ทางการเกษตรทางประมงอะไรเงี้ยครับอื ที่เกี่ยวข้องกับต้องเลี้ยงปลาแพงๆ ค, ครับอันนี้จะคุ้มมากครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเเลี้ยงปลาแพงเขาถึงคุ้มครับเพราะเช่นในนี้มันค่อนข้างใช้ใช้ราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งถ้าซื้อมาครับแ ต, แต่นี้ะระปรับประยุกตใช้กับเมืองไทยโดยใช้คนไทยออกแบบโดยใช้เครื่องมืเครื่องมือที่เราหาในประเทศได้เลยแล้วก็ก็พอได้เหมือนกันครับค่ะแต่เครื่องแน่นอนว่า ค, คงต้องขยายสเกลสเกลใหญ่ขึ้นใช่ไหมครอาจารย์แต่จริงๆ ขนาดนี้ก็ผมว่าก็โอเคแล้วครับขนาด1 0 0ถึงามอลิตรต่อชั่วโมงสำหรับในอุตสาหกรรมระดับเล็กระครันแลระดับกลางก็โอเคแล้วครับ ค่ะก็เราก็จะติดตามผลงานของอาจารย์ต่อไปนะคะแล้วในส่วนของ อ, อยากให้อาจารย์สรุปอีกสักครั้งนึงจริงๆมีข้อคําถามที่จะพูดคุยแต่ว่าด้วยเวลาของเรามีครึ่ชงชั่วโมงอาจารย์คุยกันแป๊บเดียวจะหมดเวลาแล้วค่ะอยากให้อาจารย์สรุปอีกครั้งหนึ่งสําหรับวัตถุประสงค์หลักๆแล้วก็ความคาดหวังของอาจารย์และทีมงานสําหรับนวัตกรรมเครื่องผลิตฟองอากาศขนาดเล็กใน น, น้ํานี่ค่ะครับวัตถุประสงค์หลักเดิมทีเราก็พยายามอยากจะใช้ความรู้ ที่เราได้เล่าเรียนมาร่วมกับนักศึกษาแล้วก็ลูกศิษย์รวมทั้งศิษย์เก่าของราชมงคลธัญบุรีหรือศิษย์เก่าของราชมงคลทั่วประเทศก็ได้ครับเพราะเราไม่ได้ปิดกันทางด้านนี้เลยครับเพราะเราเป็นสายเลือดราชมงคลอยู่แล้วออื uh huh. ก็อยากจะอยากพัฒนาตัวนะวัตรกรรมที่ที่เราที่เราได้รับการถ่ายทอดมาหรือได้ได้รับการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับเมืองไทยใ ห, ให้ให้มันเกิด เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยเองอย่างนี้ครับแล uh ้ว huh. ใช้โดยคนไทยผลิตโดยคนไทยอะไรประมาณนี้ครับค่ทำเองใช้เองถ้าถ้า uh huh. ถ้ามันดีแล้วก็ค่อยขายขายข้างนอกก็ได้ครับไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาอะไรถ้าทำเพราะเรารู้ว่ามัน เราทําเองครับเราก็เลยรู้ว่ามันดีผมก็ผมก็ใช้เองอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยครับส่วนวัตถุประสงค์หลักๆจริงๆของผมก็คืออยากให้นักศึกษาจบการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมความวามีความความรู้ที่เราเรียนมาทั้งสามหรือสี่ปีเนี่ยครับมามาปรับประยุกให้มันเกิด น, นวัตกรรมเพื่อเพื่อคนไทยและเพื่อประเทศชาติครับอืค่ะนี่คือวัตถุประสงค์หลักจริงๆกับส่วนที่ที่เล่ามาทั้งหมดนี่คือมันเป็นผลพอผลพอยได้เป็นกําไรค่ะ ต้นทุนสันได้แล้วคือผลิตเครื่องเนาะแล้วก็ผักดันให้หนักศึกษาสําเร็จการศึกษาค่ะก็คุยกันมาเต็มเวลาแล้วนะคะอาหากว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเราทั้งสองคนอยู่อาจจะมีข้อคําถามหรือข้อสงสัยหรือว่ามีรายละเอียดเชิงลึกที่ดิฉันอาจจะไม่ได้สอบถามแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะเป็นทางด้านแบบเทคนิคเชียนอะไรต่างๆเนี่ยจะสอบถามเพิ่มเติมจะสามารถติดต่อได้ยังไงที่ไหนคะอาจารย์ก็ถ้าติดต่อทางผ่าน ท, ท, ทางมหาวิทยาลัยผ่านทางระบบ โดยปกปติก็จะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาครับของทางมหาวิทยาลัย อ, อันนี้คือเราให้เกี่ยวทางมหาวิทยาลัยก่อนแต่ถ้าติดต่อผลผ่านผมโดยตรงก็ผ่านทางภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการได้ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มาไยเทคโนโลยีราชมงคลขันแก่นครับ คบถวนชัดเจนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็มาแนะนํานวัตกรรมดีๆที่เป็นผลงานเป็นแบบว่าเป็นนูนฮาวของนักวิชาการในประเทศไทยของเรานะคะโดยเฉพาะในรัรชมงคลธัญบุรีขอบคุณค่ะผู้ช่<อ>วยศาสตราจารย์ดกกรสระพงศ์พวัสุปรีค่ะอาจารย์สาขา ว, วิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลธัญบุรีที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ ครับมคุณครับวอสคีค่ะและในวันนี้ค่ะเวลาของท้องรายการ Innovation for Life ก็หมดลงแล้วดิฉันคุณกนิษฐ์ทองเงาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรพงษ์สุภาพภาวะสุปรีค่ะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะรายการ Innovation for Life รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th